เพราะความเฉลดญในธรรมจะมีแต่ทันผู้ครังเท่าไแต่ร่มปะโุติยานได้นำเสนอคำถามคำตอบมานานพอสมควรก็เห็นว่าควรจะกลับเข้าไปสู่เรื่องพุทรวัติต่อไปคือตามหัวข้อใต้ร่มปะโุติยานการตอบปัญหาที่จริงก็อยู่ภายใต้ร่มปะโุติยานเช่นเดียวกันแต่ว่า เรายังมีเรื่องที่น่าศึกษาในการทำงานของพระพุทธเจ้าวันก่อนโน้นได้พูดมาถึงช่วงที่บิดาของพยาศึกษาได้ฟังธรรมเทศนานนบิคถาเรียสัตสีในสำนักพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จประทับอยู่ที่อิสิปฒนมรุกธายวัน ก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นปะโสดาบันพยาศะซึ่งได้ฟังซ้ำอีกรอบหนึง่งได้พิจารณาตามไปก็บรรลุมรรคผลเป็นพระหรันพระพุทธเจ้าก็ทรงคลายวิธิ์ที่ปิดบังไม่ให้พ่อเห็นลูกเศรีก็เมื่อเห็นยาศะก็ดีใจ ก็บอกว่าแม่กำลังร้องหมร้องไห้โศกเสียใจที่ลูกหายไปก็ขอให้ลูกกลับให้ยีวิตแก่มันดาของเจ้าเถิเื่อกลับไปหาแม่พระยาศักดิ์ท่านไม่ตอบท่านมองที่พระพุทธเจ้าพทธเจ้ากระรับสั่ง ท่านเศรษฐีเข้าใจว่าพยาศนั้นไม่กูควรที่จะไปเป็นคือหัดบริโภคกรรมอีกต่อไปแล้วเนื่องจากท่านเป็นโสดาบันฟังแล้วก็เข้าใจว่าพยาศรบรรลุมรรคผลเบื้องสูงไปแล้วไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ม้แต่คิดจะเสพเมธุนธรรมหรือจะมีความคิดในการครองเรือน ที่จะยินดีในรูปเสียงติรถโผธฐะพะ ท, ที่น่าใคร่น้าปรารถนาหน้าพอใจก็รู้สึกว่าเป็นบุญเป็นลาภอันประเสริฐของยาสะก็ตกลงว่ากระบทูนราตนาบรกุธฑเจ้าพร้อมขอพระญาตสะให้ไปเสเวยและฉันในนิเวศของตนลุงวิชาพรกุธฑเจ้าพร้อมด้วย ปยะสะเป็นปัจฉาสมณะคือตามไปข้างหลังคือถ้าเราดูแล้วเนี่ยน่าจะมีพระปัญญวคีติดตามไปด้วยนะฮะแต่ว่าในที่นี้ปรากฏว่าไม่มีถึงแสดงว่าพระปัญญวคีก็คงจะพักห่างออกไปแล้วคงจะไปบินทบาทตามปกติของท่าน พระพุทธเจ้าจงนำเฉพาะพาาปัศาสั์ไปตามคำอราตานิมนต์คือเขานิมนต์ไปเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะ น, นะฮะอันนี้เป็นเป็นหลักประการหนึ่งที่จะต้องยึดตือประพฤติปฏิบัติอย่างว่าเขานิมนต์เราไปไปที่ไหนก็ตามนะจะไปสวดมนต์จะไปเทศจะไปปาตากถาจะไปบรรยาย แล้วข้นีม้มนเราคนเดียวเราก็ไปคนเดียวอย่างดีก็มีคนขับรถคนหนึ่งคือจะพาพิสูจน์ซ้ำเรนอื่นไปด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่นีมนเปิดโอกาสเอาไว้แต่ถ้าเขานม่มีมนเปิดโอกาสเอาไว้ก็าสามารถที่จะนําไปได้ในกรณีนี้ก็เหมือนกันคือท่านเศรษฐีนั้นท่านคงไม่รู้เรื่องพระปณิวคี เลยก็ น, นิมนต์เฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระญาตศัก์พระเจ้าก็ น, นําไปเฉพาะพาระญาติักดิ์มารดาและพัญญาเก่าวของท่านพาระญาติศักดก็การมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งที่ควรส่วนข้างหน่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสรงัตยนุบุพิกถาคือเรื่องทานการให้ ถึงศีลการสมบรวมระวังรักษากายเรียบร้อยแต่ผลจากการให้ทานรักษาศีลคือการอนุบัติผังเกิดในสุขติโลกสวรรค์จะในขณะเดียวกันก็ส่งแสดงให้เห็นว่าแม้กามที่เป็นทิศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรแก่ ก, การเบื่อหน่ายคลายกำลักเพราะว่ามีสุขน้อยแต่ก็มีทุกข์มาก ทรงแสดงโทษของกามให้ปรากฏแล้วแสดงอานิสงส์ในการออกจากกาลคือผลดีที่จะเป็นกายดป็นจิตของตนออกไปจากกามแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจทั้งสี่ประการไปสรุปจบที่อริยสัจทั้งสี่ประการ ในตอนสุดท้ายของพระธรรมเทศนาท่านทั้งสองนั้นมีจิตสนุกมีจิตอ่อนมีจิตปล่อดจากมวรมีจิตเปิกบานมีจิตผ่องสาสแล้วจึงส่งประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายส่งยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกส ม, มุทัยนิโรธมากตังกางๆ ตวงตาเห็นธรรมมันปราศจากทุลีปราศจากบนทินแต่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านทั้งสองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นท่งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาก็ได้เกิดขึ้นแก่ทั้นทั้งสองเหมือนกับผ้าที่สะอาดปราศจากบนทินควรได้รับน้ำยอม พระมารดาและอดีตพัญญาของพญาสะมาเห็นทำแล้วได้บรรลุทำแล้วได้รู้ทำแจ่มแจ้งแล้วมี่ทำมันอย่างลงแล้วข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วปราศจากความสงสัยถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระผู้มีพระภาคและกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระองค์ ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักพผู้ได้จเจ้งข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกประยายนี้เหมือนผุคคลหายของที่ปั้มเปิดของที่ปิดบอกทางให้คนหลงทางหรือสองประเทศในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนที่มีจกักษุจักเห็นรูปดังนี้คือการสรรเสริญพระธรรมเทศนาแนวนี้เป็นแนวหลัก มันเหมือนกับเป็นสูตรอย่างหนึ่งเป็นแบบทั่วมอย่างหนึ่งในการสันเสริมมรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็จะสันเสริมกันอย่างนี้เหมือนกันหมายความว่าเราจําไม่ได้สักแห่งแล้วก็ไปถึงแห่งอื่นมันก็รู้ว่ามีการสันเสริมในลักษณะ น, นี้เป็นที่น่าสังเกตตัวอย่างหนึ่งว่า ไอ้ความก้าวหน้าในทางอสศราศาสตร์มันก็ถึงขั้นนะยุคพุทธกาลเนี่ยถึงขั้นเหมือนกันเคยพบไอ้สูตรการด่าของคนในสมัยนั้นมีการด่าอยู่สามชุดด้วยกันเรียกอาโกสวัตถุวัตถุสมรับด่ า, าด่าอย่างหนึ่งมีแปดข้อฟังยากคือสามารถจะตีความเป็นอย่างอื่นได้ มีคนเคยดา่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าตีความเป็นเรื่องดีหมดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นคำด่าบแบบเปียบเปยเช่นว่าสูงเป็นเปรต ด, ดำเหมือนตอตะโกอะไรตะไรดำเหมือนทานอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็มีคำอยู่สิบอยูสิบคำด้วยกันเรียกอโกสวัตถุเป็นคาคือที่จริงก็มีลักษณะเพอ่อเจอรนะ์น่ะหมายความว่ามันมีใครเป็นอย่างนั้น แต่ว่าเป็นการดา่าเป็นการแสดงอาการดุหมิน่นเขาเรียกว่าพูดไม่ดีในพระวินในในประประบัติทุพภสสิต ท, ทุพัสสิตแปลว่าพูดไม่ดีและอีกอย่างหนึ่งเป็นคาําด่าที่เป็นเหตุให้ปรปะบัติปาจิตดีคือด่าชื่อด่าโคด่าแซ่ดา่ดาอะไรต่ออะไร ต, ะต่งตางๆเป็นด่าคำหยาบ เป็นอูดเป็นลาเป็นคนโง่เป็นสัตว์นรกอะไรต่าไรว่าคำแรงๆนะฮะว่าคำแรงๆในคาชุดนี้พระพุทธเจ้าก็เคยถูกด่าทีหนึ่งเมื่อตอนเสด็จประทับอยู่ที่เมืองไพรสาลีไม่ใ่เมืองโกสัมพีนางมาคันธยาโกรธไม่พอใจที่พ่อแกไปะยกะแกถวายพระพุทธเจ้าพระพเจ้าไม่รับ แล้วกลับตำหนิความปฏิกรหน่าเกลียดของร่างกายให้นางในจินนางก็โกรธมากเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองโกสมพีนางก็ต้องการจะแก้แค้นนะจ้างคนให้ด่าพระพุทธเจ้าด้วยคำยาบหยาบถึงสิบสิบคำด้แกัน ขนาดพระอาอนนท์เทราจึงเป็นปสดาบันในทนฟังไม่ได้ขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอื่นพระพเจ้ารับสั่งถามจะไปเมืองไหนมันก็บอกว่าไปเมืองอื่นรับสั่งถามวาถ้าคนเมืองนั้นก็ได้อีกจะทํายังไงก็ไปเมืองอื่นอีกตามก็ได้อีกจะทํายังไงก็ไปเมืองอื่นอีกพระุทธเจ้าบอกไม่สิ้นสุดโต๊ การแก้ปัญหาแบบที่พระนนเสนอนี่แก้ได้ไม่สิ้นสุดเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้านั้นก็ควรจะสงบระงับลงภายในเจ็ดวันกันนั่นเองแล้วต่อมาระครบเจ็ดวันเรื่องกอส็สงบไปเพราะในสูตรในแนวของการสันเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ย ในการส่นเสริมแนวนี้ตลอดมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็มันเหมือนของที่ที่คว่ำอยู่พระพุทธเจ้าก็งายขึ้นมาเหมือนของที่ปิดอยู่พระพุทธเจ้าก็เปิดขึ้นมาให้ดู เหมือนกระถางซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่ว่าคนเดินหลงทางอยููุ่จจาระชี้บอกคนทางหล่อนนั้นให้เกิดความข้าใจแล้วก็เหมือนสถานที่มีอยู่แต่มันมืดปุจจประทีพก็ส่องให้เห็นแสงสว่างธรรมเทศนาที่ทรงแสดงก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นเราจึงให้ลองสังเกตว่าท่านชายก็มาแสดง ไม่ได้ใช้คำว่าแต่งหรือว่าบัญญัตินะฮะแต่ถ้าวิในใัยนี่ใช้บัญญัติได้แต่ว่าธรรมะไม่ได้ใช้คำว่าบัญญัติเพราะว่าไม่ใช้เรื่องที่ที่จะมาบัญญัติกันความจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเราแสดงไปตามนั้นเมื่อท่านทั้งสองได้สันเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้ว ก็กล่าวว่าหม่อมฉันทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมาและพระสงฆ์ว่าเป็นสนะขอพระองค์ทรงทรงจําหม่อมฉันทั้งสองว่าเป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงศรณะจําเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปกรรมาและพัญญาก่อของท่านพระยาศะได้เป็นอุบาสิกาที่กล่าวอ้างพระจันตใจเป็นคู่แรกคือถึงพระจันตใจเป็นศรัทเป็นคู่แรกในโลก ก็ทำให้พุทธบริษัทได้เกิดขึ้นเป็นสามนะฮะเป็นเป็นเป็นสามคือภิกษุอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาส่วนภิกษุณีสามนเดนสามนเดรีสางนางสิกะมานาสามนเด น, น, เนยังไม่เกิดนะยังไม่เกิดเพราะเป็นยุคต้นๆเป็นปีแรกที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ธรรมะ ถ้าเราลองประมาณการก็คงจะไม่นานเท่าไหร่คือก็คงจะประมาณเดือนแปดเดือนเก้าเลยแต่แถวเนี้ยนะฮะคงคงคงจะไม่นานไปเท่าไหร่เพราะว่ากว่าจะถึงเดือนสามที่ทรงแสดงว่ า, าวาตปปิโมกนี้ยังอีกนานก็ครอบครัวของพยาศาก็ได้ถวายพัะตาหารแด่พระพุทธเจ้า ปฏยาสะเรียบร้อยแล้วก็ลงกระทรงแสดงธรรมะให้ครอบครัวได้ฟังอาถานเรื่นเริงสมาทานอาถานเรื่นเริงบันเทิงใจแล้วก็สเสด็จกลับไปเราตกลงว่าตาปุ ษ, ษาพานิกะนั้นเป็นอุบาสกที่ถึงพระรัตนสองเป็น คนแรกในโลกวาสิกาที่ถึงรัตนสองไม่มีนะฮะแต่ว่าในอัตตกถาท่านเล่าว่านางสุชาดานั้นเด้งนางสุชาดาที่เข้าถวายเข้ามาัาตุปายาตแก่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะสัจรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่เคยพบนะฮะว่าหลังแก่พระเจ้าสัจทรู้แล้วในท่านพบพระพุทธเจ้าที่ไหนจึงได้แสดงตนเป็นทเววาจิกาอุบาสิกา ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ประตถาจารย์ท่านยกย่องนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้เสวยข้าวมทุปายาตของนางแล้วก็นางก็ไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแต่คิดว่าเป็นเทวดาที่สิงสถอยู่ที่ต้นทสาหรือแสดงตนออกมารับข้าวมทุปายาที่นางได้บุญเอาไว้ ว่าถ้าได้ลูกชายแล้วพอขอให้นางจะบ่งสวงด้วยเข้ามาทุปายาตในการต่อมาก็มีสหายของพยาศัสดิ์คือชื่อนิมลสุภาหุปุณชิขวัมปติก็รวมทั้งหมดก็มีอยู่4ีคนด้วยกันก็เป็นบุตรของสกุลเศรษฐีในวรนครพาราณสี ได้ทราบข่าวว่าะยาศลงผมงโกหนวดต้องหมพาก า, าญสายาถิเพศเป็นนักปวด่อเกิดสนใจเพราะว่าคิดว่าทำวินันที่ทำให้ะยาศาสามารถสละสมบัติออกปวดได้เนี่ยต้องไม่ใช่ธรรมาดาจึงมาติดต่อมาพบกับพยาศาขอให้นำเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพรภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมเทศนาชุดโดนนะฮะชุดอ น, นุบุพิกถาเรียสั์สี่ให้ท่านเหล่านั้นได้ฟังก็จิตใจเขาก็มีความพร้อมจดในที่สุดก็ปราศจากความสงสัยตึงความในรู้ก ล, กล้ากล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของศ า, ศาสดา ตะทูลขอบรนประชาผสมบทในพระพุทธศาสนาพระเจ้ารับสั่งว่าพราะวาจารับสั่งว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอมโลกล่าวดีแล้วพวกเธอจงมาคุยปุโรมริตจันเพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดเพื่อแสดงว่าตอนต้นก็บรรลุ ม, มาผลเป็นมาโสดามัน แต่ประบุกกระบวนลุกมคพลเป็นประหันนะที่นี่ในการต่อมานี่ก็มีสหายของพยาศักดิ์อีก50ท่านด้วยกันเป็นชาวชนบทคือสังคมยุคนั้นมีข้อติหน้าสังเกตอย่างไรก่งวะคือเขาจะดูสกุลสถานะทางเศรษฐกิจสถานะทางสังคม อวัยการศึกษาะอะไรลของคนที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ให้เป็นเกลอกันคือเป็นสหายกันท้ายบางคนไม่เคยรู้จักนกนกตัวส่งเครื่องบรรณาการไปอขอเป็นเขาเรียกการทิฐิปุพพสหายคือสหายที่ไม่เคยพบเห็นกันมาในการก่อนแล้วก็คนเหล่านั้นก็จะเป็นสหายกัน เพราะงั้นเมื่อพระยาศากุล ร, ร, ระบุต ร, ตรงตองผมแได้บวชต้องหอม้ากายายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วจึงดำริว่าธรรินัยและบรรพชาที่ยาศากุล ร, ระบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วนั้นคงไม่ต่ำสามแน่นอนจึงพากันไปหาท่านยาศากอภิภาตแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างเหน่ง อันยศยได้พาสหายคือหัดจำนวนห้าสิบคนนั้นไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วประกาบทูลว่าสหายคือหัดของข้าพระองค์นี้เป็นชาวชนบทเป็นบุตรของสกุลเก่าวสืบสืบกันมาขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานโ อ, อวาทที่สั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้ด้วยเถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงบุพิกถาแก่พวกเธอคือทรงประกาศทานาถาศีลกถ า, าสขาคถ า, าโทษความต่ำตรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอา น, นิสงส์งในการออกจากกรรมเมื่อทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอจากนิวรมีจิตเบิกบานมีจิตปองใสแล้ว ทิงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคืออริยศาสต ร, ร์ทั้งสี่ประกาศคือทุกสมุทัยนิโรธมัดนะครับต่อจากนั้นดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีกราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นในธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลร่วมมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดแก่พวกท่านเหล่านั้นณที่นั้น ดูดผ้าขาวสะอาดที่ปราศจากมลทินควรได้รับน้ํายอมเป็นอย่างดีฉะนั้นพวกเขาเรียนทําแล้วได้บรรลุทำแล้ ว, ไ ด, ลวได้รู้ทำแจ่มแจ้งแล้วมีทำมันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความสงสัยถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคําสอนสาศาสดาอันนี้คือคุณลักษณะเหล่าเนี้ยเป็นคุณลักษณะของระดับกระโซดาบันนะค ปัดจุบันนั้นท่นานรักษากายาติธิคือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถืตวอตนลงไปได้แล้ววิจิกิจฉาคือล่าความเคลือแครงสงสัยใ น, ร, นใรัตนะไตรในใจสิกขาแล้วก็ในอดีตนาคตทั้งอดีตนาคตและในกฎของปัจจยการลงไปได้แล้วก็ราาศีลลพัตตระมาคือการถือมั่นโดยศีลวัดโดยข้อปฏิบัติที่ ถ้าพิสปิบัติมาจนคุ้นเคยจนเคยชินนะฮะกลาบไปได้วัน เ, เป็นผู้ที่ไม่ตกต่าเป็นธรรมดามีกระแสที่จะไปสู่ผลสูงสุดคืออรหัตผลอาจจะเวียนว่าตาเกิดดีอีกแต่ไม่เกินเจ็ดชาติวันประสูรบันจะมีอยู่สามประเภท ประเภทแรกเรียกว่าเอกพีชีคือบังเกิดอีกหนึ่งชาติประเภทที่สองเรียกว่าโกรังโกละคือเกิดอีกอาจจะสองสามสี่ห้าหกนะฮะแล้วก็สะตักตะตุประมาคก็เกิดอีกเจ็ดชาติก็จะบารรลุมรผลเป็นพระ ห, รหนันในพระชาตินั้นแล้วจะไปนิพพานพัาท่านนั้งห้าสิเนี่ย แสดงว่ามีวาสนาบา ร, รมีไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเพบพระพุทธเจ้าตอนต้นๆแล้วก็เกิดขึ้นมาเองเราจะเห็นว่าไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าทราบข่าวการบวชของยศากุลระบุตรว่ามืออย่างยศากุลระบุตรออกบวชเนี่ยต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วดังนั้นท่านจึงมาพบพระยาศาแล้วขอให้นําเข้าเฝ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเมื่อนำเข้ามาแล้วก็ได้ความธรรมะชุดเดียวกันทั้งหมดเราลองสังเกตว่าทั้งหมดนี่ชุดเดียวกันทั้งหมดเลยธรรมะจะทรงแสดงเหมือนกันเพราะงั้นธรรมะชุดนี้ก็เรียกว่าสัมภูรานุศาสนีพระอุลานุศาสนีแปลว่าเป็นนุศาสนีที่ทรงสั่งสอนมากที่สุด ก็สอนอยู่สม่ำเสมอก็มีความต่อเนื่องกันไปนี่ก็เป็นหลักประการหนึ่งซึ่งเราจะพบบ่อยที่สุดโบราณศ า, ศาสนีเนี่ยวันท่านเหล่านั้นก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าวา่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เพิ่งได้บรรพชาเพิ่งได้อวสมบทในสำนักของพระภูมิเอกภาคพระภูมิเอกภาคก็จัด เหมือนเดิมนะฮะว่าเธอจงเป็นฤกษุมาเถิดถ้ามาเรากล่าวนี้แล้วพวกเธอจงประพฤติปรมจันทรย์เพื่อทําที่สูตแห่งทุกโดยชอบเถิดด้วยพระดํำรัดพุกพุทธดำรัสเพียงเท่า น, นี้ทําให้เพศของกรวาวะของท่านเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นนักบวชในทันทีทันใดก็ทําให้พระหานบังเกิดขึ้นในโลกนี่รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นหกสิบเอ็ดองค์ด้วยกันต้อฟังทั้งหลาย ในรุมยาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นงแบนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงดงามไปบูในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทงลายโดยทั่วกันสวัสดี